ขนุโมทนานะชาวบ้านนาไก่เซาและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งที่มาจากชัยภูมิที่มาได้ที่ได้มาต้อนรับเป็นเจ้าภาพและถวายอาหารถวายน้ำดื่มให้กับชาวคณะธรรมยาตราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะนะจงถึงเช้าวันนี้ ปีนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ชาวคณะธรรมยาตราได้มาพักแรมนะกลางทุ่งนาแต่ก่อนก็พักแรมตามวัดหรือไม่ก็ล่าสุดก็ไปพักอยู่ในป่าจัดมาสิบเจปีแล้วนะคณะธรรมยาตราเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกนะที่ไดมาไดสัมผัสกับบรรยากาศนะที่ อ่เป็นทุ่งนาที่กลมกลืนกับธรรมชาติถึงแม้ไม่มีไฟไม่มีความสะดวกสบายนะอย่างที่อื่นๆนะแต่ว่าธรรมชาติที่ร่มรื่นนะมีลำปะทาวไหลผ่านแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตพอเพียงที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะของชาวบ้านนะเนี่ยเคยพ่อพใช้วัดนะ อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจหลายคนอาจจะเพิ่งได้ยินชื่อธรรมยัาตรานะธรรมยัตราก็แปลว่าเดินด้วยธรรมะหรือเดินเพื่อธรรมะเป็นการเดินนะเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนได้ถนอมรักแล้วก็ช่วยอนุรักษนะ์ธรรมชาติ แต่ก่อนเนี่ยก็ก็เดินอยู่บนเขาแหละเดินอยู่บนเขาคูแลงคาปีแรกๆเนี่ยที่เริ่มเดินคือปีสี่สามก็เดินไม่ไกลนะตอนหลังเนี่ยพอเดินไปได้หลายปีก็เลยที่ว่าน่าจะลงมาอย่างพื้นราบบ้างรู้สึกจเป็นปีห้าหนึ่งนะที่เริ่มเดินนะ ผ่านหมู่บ้านแถวนี้ น, นาไก่เซานาสีนวลนทีนี้เนี่ยนะตั้งต้นเดินมาตั้งแต่บ้านตาดบินทองผู้หลงเคยได้ยินชื่อบ้ะผู้หลงนอจําไว้ดีๆเด้อเพราะเป็นต้นน้าลำปะทาวลำปะทาวที่เราได้ใช้อาศัยลําปะทาวที่ได้เลี้ยงดูชีวของพวกเราตั้งแต่ ปู่ยาตายายหรือบรรพบุรุษนี่แหละนะมันก็มีกำเนิดมาจากผู้หลงอำเภอผูเขียวห่างจากนี้ไปประมาณสักเจ็ดสิบโลได้นะนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของลำปะทาแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมญาตาปีนี้ปีนี้ตั้งใจจะเดินตามลาปะทามาตั้งแต่ต้นึงจบนะเริ่มต้นที่วัดป่ามหาวันเมื่อวันที่หนึ่งท่านว่า เราก็จะไปสิ้นสุดนะจบการเดินธรรมยาตาที่ปากตกนะเคยไดยินชื่อบ้องปากตกอ่ะนะปากตกเป็นจุดที่ลำปางนี่จะไหลลงแม่น้ำชีหรือแม่น้ำสีนะอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบโลนั่นแหละนะปากต ก, า ก, ตกอาตมาก็เพิ่งได้ยินชื่อเมื่อไม่นานันนี้แล้วก็อยากจะไปเห็น ร้จักลำปทาวันนาแล้วนะยี่สิบสามสิบปีแล้วนะปีนี้ก็คงจะได้มาเห็นความเป็นไปตลอดทั้งสายได้มาเห็นธรรมชาติของลำปทาแล้วก็บางทีก็สงสารนะท่านลำปทาเนี่ยเหมือนกับแม่ก็เป็นแม่ที่ป่วยหนักถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็มันก็เป็นสิ่งที่กำลังจะตายจากต้นน้ำนะ น้ำยังใสตนะ่พอใกล้มาถึงเขื่อนหรือนะว่าพอมาลงที่เขื่อนเนี่ยนะน้ำมันก็เสียมีสารพิษเยอะแต่ว่าพอมาที่นี่ก็น่าดีใจนะเพราะว่าลำบัเทาวเนี่ยพอผ่านตัดโตนมาเนโอมันมีชิดชีวาขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ดูอ่าคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับรุ่มน้ำลำบัเทาว ก็เห็นด้วยกับที่เขาบอกว่าเนี่ยลำบทาในช่วงที่มีชีวิตชีวาที่สุดนะก็คือช่วงตอนกลางก็คือแถวๆนี้แหละ น, ะนาไก่เซานาสีนวนเนี่ยเป็นช่วงที่แม่น้ำลำบทาวเนี่ยนะมีชีวิตชีวามากแล้วก็ได้เห็นถึงชีวิตของผู้คนที่ยังมีชีวิตชีวาเพราะยังต้องเพราะยังพึ่งพาอาศัยเป็นหนึ่งเดียวกับลำบทาข้างบนนั้นเนี่ย ลำบัตทาวนี่คน บ, บ่ค่อยสนใจละแต่ก่อนหันหน้าเข้าหาลำบติทาวเดี๋ยวนี้หันหลังให้ลำบทาวล้วหันหน้าเข้าหาถนนแทนนะพอมีถนนมาแล้วคนก็ลืมลําห้วยนะที่เคยพึ่งพาอาศัยตั้งแต่ปู่ย่าตายายแต่ที่นี่เนี่ยนะเราก็ยังเห็นเลยเออผู้คนยังได้อาศัยน้ําลำบัทาวเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต ได้ใช้ทั้งน้ำแล้วก็ได้อาศัยสินงสารราสฎร์ น, น้อยใหญ่นะโดยพ่อพวกสัตว์น้ำเนี่ยจับปลามาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตหาดูได้ยากแล้วนะเดี๋ยวสมัยเนี้ยคนคนเมืองเนี่ยจะไม่เห็นชีวิตชาว บ, บ้านที่ยังพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแล้วก็ไม่คิดจะเอาชนะธรรมชาติแต่ว่าอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติ อย่างกลมเกินกับลำห้วยนะยังเคารพยังรู้สึกสำนึกในบุญคุณนะพอสมัยนี้พอมันมีถนนเข้ามามีไฟฟ้าเข้ามาคนก็ลืมธรรมชาติไปลืมลำห้วยลำทานหรือไม่ก็ไม่ดูแลรักษามีของเสียก็ถ่ายทิ้งลงแม่น้ำลงลำห้วยแต่ว่าที่นี่ นะลาบะทาวนี่ยังมีชีวิตชีวานะผู้คนก็ยังมีชีวิตชีวาอยู่นะมีความเคารพมีความสำนึกในบุญคุณของธรรมชาติพวกเราชาวบ้านนี่ก็ถือว่าโชคดีนะมาอยู่ใต้อยู่ใต้ตากโตรนนะ์เพราะตากโตร์เนี่ยน้ําน้าตกเนี่ยมันเป็นเหมือนกระป๋อที่คอยชําระล้างสิ่งสกรปรกช่วยพื้นฟูชีวิตของลาบะทาว นะที่กําลังจะตายแล้วเนี่ยให้กลับมามีชีวิตนะน้าําก็ใสพวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะเป็นช่วงที่ลำบาะทานี่นะกลับมามีสุขภาพดีนะมีชีวิตชีวามีพลานามัยนะถ้าเหมือนคนนะแต่ว่าจะอาศัยโชคดีอย่างนี้ไม่พอนะเราต้องลงมือทําด้วยก็คือรักษาอนุรักษ์นะลำบาะทาเอาไว้ รักษาหน้าดินนะปลูกต้นไม้นะริมตลิ่งนะเพื่อรักษาหน้าดินไม่ให้มันถูกฝนชะล้างลงไปทำให้ลำมือลำทานตื้นเขินการที่พวกเราเนี่ยมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะพึ่งพาอาศัยธรรมชาติไม่เบียดเบนธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีนะคนที่เป็นคนเมืองเขาได้มาเห็นเขาก็รู้ว่าเออ ธรรมชาติเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องเอาชนะเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องทําลายแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปรับตัวให้กลมกลืนแล้วก็ต้องอนุรักษ์ต้องดูแลด้วยด้วยสํานึกในบุญคุณคนสมัยนี้เนี่ยมไม่ค่อยได้สํานึกในบุญคุณของธรรมชาติเท่าไหร่นะคิดแต่คิดแต่จะทําลายคิดแต่จะามาใช้ปนเปื้อนตัวเอง อาการที่พวกเรามาใช้ชีดิตแบบนี้นะมีชุวแบบพอเพียงมันเป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยนะมันเป็นอนาคตอนาคตของโลกเนี่ยอนาคตของมนุษย์เนี่ยถ้าจะอยู่ได้เนี่ยต้องอยู่แบบนี้นะไม่งั้นเนี่ยไปไม่รอดต้องอยู่แบบพอเพียงต้องอยู่แบบเคารพสานึกรักในธรรมชาตินะ ปรับตัวใกลมกือธรรมชาติปู่ย่าตายายเราทํามาแล้วนะแต่รุ่นหลังก็ล้าทิ้งไปแต่อนุชนรุ่นต่อไปรุ่นลูก ร, ร, รุ่นหลานของเราจะอยู่รอดได้อย่างมีความสุขเนี่ยมันต้องทําแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าสมัยนะในเมืองนอกเมืองนานี่ยนะหลายหลายหลายเมืองนะหลายชุมชนผู้คนมากมากมายเขาก็ ทำมาใช้ชิแบบนี้นะทำมาใช้กเกษตรแบบผสมผสานนะรู้จักเอาของที่เสียแล้วกลับมาใช้ใหม่แล้วก็รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ธรรมธรรมชาติเนี่ยเพื่อการเลี้ยงดูชื่อิของตัวตัวเองให้ดีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ศึกภาพภูมิใจนะ รู้สึกภาคภูมิใจจะไปคิดว่าเราเป็นคนล่าหลังให้ภาคภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะมันเป็นประโยชน์นะต่อประเทศชาตินะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังเขาจะไดนะ้กลับมาใช้ช่วยที่กลมกลืนกับธรรมชาติเคารพธรรมชาติซึ่งจะทำให้คนเราเนี่ยมเราเนี่ยอยู่รอดได้ เพราะถ้าธรรมชาติถูกทำลายมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันต้นไม้ป่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่มีคนนะปลาเนี่ยมันอยู่ได้มันช้านานเป็นล้านปีโดยที่ไม่มีคนแต่คนมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีป่าไม่มีธรรมชาติเพราะฉะนั้นกอ็อยากจะให้พวกเราได้ทำดีต่อไปถือว่าเป็นการทำตามรอยพ่ อ, อเป็นการสื่อสารปณิชาของในหลวงที่ สอนให้เราใช้ที่แบบพอเพียงนะกลมกลืนสอดคล้องกับธรรมชาติก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่ได้มาเป็นเจ้าภาพต้อนรับชาวธรรมยัตตาแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวธรรมยัตตาได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่ดีๆได้มาเรียนรู้นะวิถีชีวิตพอเพียงของพวกเราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตที่กลมกลืนนะสอดคล้องด้วยความเคารพธรรมชาติ ก็ไม่มีอะไรที่จะกล่าวนอกจากขออ้างคุณพระศิัตนตรัยนะอํานวยอวยพรให้พ่อแม่ออกทุกคนนะได้อยู่เย็นเป็นสุขนะมีอายุวรรณะสุขภัละเพื่อเป็นกําลังในการทําความดีนานางนางนสร้างบุญสร้างบุญศนให้ถึงพร้อมเพื่อจะได้มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจิตมีบุญเป็นเครื่องรักษาชีวิตให้จเจริญก้าวหน้า และสามารถจะบรรเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำทั้งหมดนี้นะทำให้ประสบไต่ความสุขความเจริญเข้าถึงความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งเข้าถึงความสุขอันประเสริฐยิ่งคือพระมิตพานด้วยกันทุกคนเทิ่อ <c oughs> ยถาวริวาาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกปฏิ อิจิตังปติตังตุมหังคิปะเมวัสมิชชตุสัพเพปูเรนตุสังกปราจันโทปนรารโสยะถามณีโชติราโสยะถ า, านิโยอิ ว, วาจันโตสาภโรโภวินาสัตตุมา อโนจัตตโรธรรมาณีายุวันโนุพาาวุตสาภังการังาคันตุสาภเทวตาสาภูตานุภาเวนัสันตา สพเทวตาสัพพธมานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเตสสพมรารังราคัตุสพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสติภวันตุเต